50 languages. 98 t y m b a t i n t u Sntan sarn sntan. Jodi s a m b a n h a i y a g a l การเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไป Prayana tumbachenna gittu. อารตุบอาสะคราถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนแน่นเกินไปไรลุกาดีสริอาดสัมัยก์เก็บนตุอาดเรตุ้มบาจนจังหุลีโรงแรมอยู่สบายก็จริงแต่แพงเกินไปวัสติกรหัสุขะคารวากิตโอาดเรตุ้มบาดุบาริ เขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟเอานุบัสินั่ลี่หรือไม่รลินัล่ลี่โคกุ ต, ตาเนเขามาวันนี้ตอนค่าหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่ชเช้าอาโนุอินดูสังเจอไม่นาลเบดะเกบรุ ต, ตาเนเขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรม อวนูนัมม่นมาจากเอตอหรวาวสติกกรหดลลอิรุตตานีเธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษอวลดูสเปนิชโนฮ ago อังกฤษโ น, นมาตนาดุตตาเธอเคยอยู่ทั้งในแมาดริดและในลอนดอนอวลัลดูมาดริดน ล, ลีฮ ago ลอนดอน ล, ลีวาสวากิดลู เธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษเอาล่เกสเปนฮักูอิงแลนด์กุตุเขาไม่ได้โง่เท่านั้นแต่ยังขี้เกียจอีกด้วยอวน้กเกวลาดั๊ดดมาตรวลลาโซมาริกูดาเธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียวแต่ยังฉลาดอีกด้วย อวล่แคเวลาสุนทริมาตรวลาจาเนายูสห์เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้นแต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยอวลูแคเวลาเจอร์มันอัชเตอัลลัเดฟรินชนูสห์มาตนาดุตาเล่ดิฉันเล่นไม่ได้ทางเปลี่ยนโนและกีตา้า น, นั่นเองเปียโนอาเกลีหรือกีตาร์อาเกลีนูดิ i ัลลูบานูดลดิฉันเต้นไม่ได้ทั้งวอลและซมบนวสอาลีหรือบ้าอาูดิลลดิฉันไม่ชอบทังโอเปร่าและบัลเลนั่ ल, ल นสังขีดน่าตากว่าลีหรืบัลเล่ออิสตวล ยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้นนีนูยิสตุเบกาเคลสะมาดุติโยอสตุเบกามุกิยุตเตเดยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้นนีนูยิสตุเบกาบารุติโยอสตุเบกาโหกบะหุดูคนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ก็ยิ่งเกียจคร้านขึ้นเท่านั้น มนุษย์ยาเยี่ยสตูวั ಗ ು ತ ್ ತ ಾ ನ ต ಅ านุอสตูสั್ ತ ನ ุปตานากุต